สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเป็นอีกวันนะคะที่รายการสันสนิสนทนาได้พบกับท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm หนึแห่งนี้รวมไปถึงสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก153สถานีด้วยในสัปดาห์นี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งติดต่อกันมาแล้ว3วันนะคะในช่วงถามโลกตอบธรรมที่พระจันทร์ไพบุตรอภิปุณโญได้มาสนทนาพอมาถึงวันนี้และวันพรุ่งนี้ ที่ท่านมาร์คชาคาวโรนะคะพระมาร์คชาคาวโรวัดนาบพง์ลําลูกกาคลองสิบได้มาพบกับท่านฟังเนี่ยก็เป็นการจําแนกชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นวันพื่หัตสมบูรเนี่ยท่านจะได้หยิบยกเอาเรื่องจากพระโอษฐ์ที่เรียกว่าขุมทราบจากพระโอษฐ์โดยหลักเป็นการตรัสแก่พระภิกษุแต่อย่างไรก็ตามข้อธรรมนั้นพวกเราเอามาใช้ได้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง จากหนังสืออริยศาสตร์จากพระโอษณะคะซึ่งมีทั้งภาคต้นและภาคปลายวันนี้จะเป็นพระสูตรที่นําเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องผู้เห็นแต่จะทะเลาะวิวาทเดี๋ยวฉันจวหัวไว้อย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปพบกับท่านแต่อยากจะพูดกับท่านฟังทุกๆท่านถึงเรื่องที่มันจะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทได้หรือว่านําไปสู่การขัดแย้งได้ ทางหนึ่งที่สําคัญนะคะดิฉันว่าเป็นทางวาจาเพราะเป็นพื้นฐานในการที่มนุษย์เราเนี่ยจะติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจซึ่งกันและกันพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของวาจาเนี่ยไม่หลายเรื่องแล้วเราก็นาํามันมาพูดกันหลายครั้งนะคะแต่ดิฉันเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการบอกย้ํากันอยู่เสมอเสมอ พวกเราก็จะได้รู้แล้วก็จะได้นำออกไปเป็นหลักว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอพลายไปก็คิดว่าพูดไม่เห็นจะใหญ่โตอะไรไปแต่พูดตามธรรมเนี่ยค่ะไม่เกิดปัญหามากกว่านะคะตามธรรมเป็นอย่างไรเอาคัดมาเรื่องเดียวก่อนแล้วคัดมาอย่างย่อนะคะพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงวาจาของสัตบุรุษสอเสือไมฮากาดตอเต่าสัตวบุรุษนี้แปลว่าคนดีค่ะก็คือ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 ะะถามถึงความไม่ดีของคนอื่นเป็นไปได้นอย่าเปิดเผยท่านก็บอกไม่มีประโยชน์และเมื่อถูกใครถามความไม่ดีของคนอื่นก็หลีกเลี้ยวลดย่อนไม่ต้องไปขยายรายละเอียดให้มันพิสดาร น, น่าสนใจถ้าจำเป็นต้องตอบจริงๆก็ตอบเท่าที่จำเป็นอันนี้เป็นวาจาของคนดีค่ะสำหรับในช่วงเวลาอของรายการเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเรื่องที่จะนามาพูดมันมีเยอะ แต่ว่าเราก็ต้องคัดสร ا มาด้วนั่นเองเอาเรื่องนอกธรรมะมาพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างไรเสียมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องช่วยๆกันทุกภาคส่วนก็คือเรื่องการที่ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ต้องตกไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บดิฉันอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวว่าทางองค์การอาเมโลนเขาก็ชื่นชมบุคลากรของไทยเกี่ยวกับเรื่องของ การรับมือกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ในปี2009กําลังจะหายไปแต่ความวิตกกังวลยังไม่หายนะคะพราะเขาบอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยโรคพวกนี้มันเข้ามาได้แล้วก็คาดการว่าถ้าเข้ามาคราวนี้มันจะเป็นลักษณะของป่าล้อมเมืองอย่าเพิ่งตกใจนะคะนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจแต่กำลังพูดบอว่าดังนั้นมาตรการในการป้องกันที่เราทําด้วยตัวของเราเองได้กินร้อนช้อนกลางล้างมือ เ, เอามาตรการพื้นๆเนี่ยก็จงทํากัน ต่อเนื่องต่อไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและก็ช่วยย้ำกับคนข้างๆจะได้เกิดความปลอดภัยกันในทุกผู้ทุกคนนะคะป้องกันเอาไว้เพราะแก้ไขเนี่ยมันจะยากกว่าค่ะสักครู่เราไปพบกับพระมาร์กชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิ์ในช่วงถามโลกตอบธรรมกันค่ะ